ส่ออดนนนมีนานเรรืงจะไปทถามเมื่อถึงเบญจเพศหรืออายุ25ปีจะเป็นช่วงสำคัญที่สุดของชีวิตจริงหรือไม่ที่เขาว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญซึ่งอาจจะเป็นไปในทางดีหรือทางร้ายสุดๆจะเกิดขึ้นในปีนี้เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เบญจเพศนั้นสะกดให้ถูกต้องส่อเสือนะครับหลายคนสะกดเป็นเบญจเพศส่อสล า, าซึ่งผิดความหมายเพราะคำนี้แผลงมาจากบาลีคือปันจวีสะโดยปันจแปลว่าห้าวีสะแปลว่า20สิบรวมจึงเป็น25หถ้าคุณเขียนเป็นเบญจเพศที่สะกดด้วยสอสล า, าจึงหมายถึงเพศที่ห้าซึ่งไม่รู้จะมุ่งหมายถึงใครดี เคล็ดลางหรือความเชื่อเกี่ยวกับตัวเลขบางทีก็สืบหาที่มาที่ไปแน่นอนไม่ได้แต่บางทีก็มีข้อมูลประวัติศาสตร์บางอย่างเหมือนใครอยากเชื่อว่าเลขส3เป็นเลขสวยก็ต้องย้อนไปนู่นที่เรื่องราวเกี่ยวกับพระกระยาหารคำ่ำเมือสุดท้ายของพระเยซูก่อนที่พระองค์จะทรงถูกนาไปตรึงกางเขนตามคัมภีร์ไบเบิลกล่าวถึงยูดาสผู้ทรยศต่อพระเยซู มานั่งเป็นแขกคนที่13ของโต๊ะเสวยนับแต่นั้นเลข13ก็กลายเป็นเลขสวยไปเมื่อพระเยซูถูกตรึงกางเขนในวันศุกร์ก็มีการเอามาบวกกันกับเลข13กลายเป็นศุกร์มหาอัปมงคลตึกฝรั่งบางแห่งจะไม่มีชั้น13และหลายคนที่ถือเคล็ดลางเก่งๆจะระมัดระวังตัวเป็นพิเศษทุกวันศุกร์ที่13า แน่นอนว่าเมื่อคุณทราบที่มาที่ไปเช่นนี้ก็คงหายกลัวสุขที่ส3ามเสียได้เพราะแท้จริงหาใช่จะมีความสวยในตัวเองไม่ขอเพียงมีเหตุการณ์สำคัญในทางอั ป, ปมงคลเกิดขึ้นคนเราก็พร้อมจะสังเกตความเกี่ยวข้องกับเลขวันเดือนปีทันทีแล้วว่ากันถึงวัย25ห้านั้นเท่าที่พอทราบคือคติข้างพรามจะซอยวัยมนุษย์ออกเป็นต่างๆคือ 1นนับเป็นกุมาร 9-16 นับเป็นทารกวัยหรือวัยรุ่น 17-25 นับเป็นมานพหรือวัยหนุ่มชายใดใช้ชีวิตมาถึงปีที่25ตามภาษาของคำพีพุทติศาสตร์เรียกต้องเบนจะเพศหมายถึงการเข้าถึงฝ่ายโชคและเคราะห์อันแรงกล้า ส่วนจะเป็นโชคหรือเป็นเคราะห์ก็ต้องดูว่าลงล็อกใดในเพศห้าอันได้แก่เทวะมนุษย์เดรัจฉานเปรตอสุรกายหากดวงตกเทวะก็ได้ลาบยศหากดวงตกมนุษย์ก็ปานกลางไม่ดีไม่ร้ายหากดวงตกเดรัจฉานก็ป่วยหนักหากดวงตกเปรตก็ถึงตายหากดวงตกอสุรกายก็อาจทีกลพิการเป็นต้น ดูจากตรงนี้ใช่แปลว่า25หมายถึงสวยหนักแต่อาจเป็นเฮงระเบิดก็ได้ถทาว่าพูดกันทีไรก็จะว่าเบนจเพศคือปีสวยท่าเดียวสรุปคือเบนจเพศเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำนายทายทักปีที่25เป็นปีแรงทั้งทางบวกและทางลบและตามหลักการดังกล่าวจะเห็นว่าโชคและเคราะห์ในเบนจเพศหาได้เกี่ยวข้องกับสตรีไม่ แต่ถึงวันนี้เราก็กล่าวเหมาคลุมไปหมดว่าเป็นเรื่องของทั้งหญิงทั้งชายที่ต้องระมัดระวังตัวทาบุญเะดาะเคราะห์เป็นพิเศษผมเห็นผู้หญิงบางคนวิ่งรอกทาบุญจนหน้าซีดทีเดียวเพราะดูเหมือนเรื่องแย่ๆจะประดังประเดขเข้ามาในปีเบญจเพศเอาจริงๆว่าตามหลักกรรมวิบากความจริงก็คือทุกปีมีเรื่องไม่ดีได้ตลอดแล้วแต่ว่าใครทามาอย่างไร อดีตกรรมวางแผนให้เราได้รับผลตามล็อกเวลาไว้เฉพาะตนนั่นหมายความว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ได้ลาบทุกปีแล้วก็สุ่มเสี่ยงกับการตายได้ไม่เว้นวันนับแต่จันถึงอาทิตย์ใครหยุดราชการมัจจุราชท่านไม่หยุดด้วยใครเชื่อว่ามีสิทธิ์ตายเพราะเบญจเพศมัจจุราชท่านไม่เชื่อด้วยว่าแล้วก็ขอให้เชื่อเถอะครับว่าไม่มีเลขล็อกสากลให้ต้องพอวงหรอก เบญจเพศเป็นเพียงการช่วยกันลือไม่มีที่มาที่ไปแบบพุทธเอาเลยสิ่งที่คุณควรพะวงไม่ใช่ปีเบญจเพศควรสะเดาะเคราะห์อย่างไรแต่ควรสำรวจตรวจตราดีๆว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตบนวิถีบุญน้อยไปหรือเปล่าต่างหาก มืไใค